กอน้อมน้อมต่อป ร, ริยสมงผู้ตรัสรตูตามพระพุทธเจ้าเราได้พยายามถ่ายทอดคำสอนของพระองค์มาสู่พวกเราเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วกราบทบายความกรบท่านพระอาจารย์หลวงพ่อผู้เป็นประธานนากักมุตทงเจริญพรออยัดอยู่ถือว่าเป็นการนั่งปฏิบัติลวกันนะสบายๆน ะ, ะนั่งภาวนาไปด้วย ผู้พูดก็จะปฏิบัติด้วยการพูดผู้ฟังก็ปฏิบัติด้วยการฟังจริงการเจริญสติเป็นเรื่องง่ายๆสังเกตขณะที่เรานั่งอยู่ขณะ น, นี้กลับมารู้ตัวเองสบายๆเคลื่อนไหวสบายๆ ส, สังเกตว่าขณะนี้ตึงเครียดไหมหลังงอไหม เกรงหัวไหล่ไหมเกรงตัวไหมก็มาสังเกตอยาบขาดขณะที่นั่งอยู่นี่คลี่คลายไหมอย่านั่งด้วยความอึดอัดให้กายมันโปรง่งสังเกตว่ากระดูกสันหลังมันมันตรงไหมคือถ้าท่าที่ทําให้เกิดสติสมาธิพระเจ้าจะบอกไว้บ่อยมากพิสูจทั้งหลายตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าท่าที่ กระดูกตรงคอตรงตัวตรงเนี่ยเรก็สังเกตความคลี่คลายถ้ามันคลี่คลายเคลื่อนไหวสําหรับผู้ใหม่ๆสังเกตเคลื่อนไหวนี้ถ้าหัวไหลมันเก็งมันเครียดถ้าให้ผ่อนคลายไม่คลี่คลายสมาธิจะเกิดยากนั้นเวลาเรายกมือการเคลื่อนไหวของเราให้มันไร้น้ําหนักอย่าทําด้วยความกระชึกกระชักโดยเฉพาะในช่วงที่จิต ของเราเราไม่มีปัญหาเช่นไม่ง่วงไม่ฟุ้งมากพยายามทำด้วยความนิ่มนวลคลี่คลายไหวสบายๆกายไหวใจรู้ง่ายๆกระทบปับรู้ปับทำสบายๆเราสังเกต ด, ดูหลายท่านนะฟังตั้งแต่แนะนำกันมันแรกมีประสบการณ์กันมาดีละอย่าทุ่มไปที่การเคลื่อนไหวมืออย่างเดียวดูกระทบปะเบาๆในขณะ นั้นก็ให้รู้พร้อมๆดูทั้งตัวขณะนี้ลมพัดเย็นร้อนพิบตาเกิด น, น้ำลายให้รู้หลมๆอย่าอย่าโฟกัสหรือว่าจยซูมลงที่การเคลื่อนไหวมืออย่างเดียวมันจะติดอยู่ที่ตัวนี้นั้นตามมองไกลๆสบายๆายายดูตัวเองทั้งตัวนี้เคลื่อนไหวกระทบปับรู้ให้มันคลี่คลายหูได้ยินตาเห็นกายเคลื่อนไหวทาง่ายๆแค่นี้จะสบายนัน ธรรของพระพุทธเจ้าโดวยว่พาะสติปัฏฐานสี่ไหลวันเมื่อวานเราก็สวดสติปัฏฐานสี่คือให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมธรรมุทมธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะใช่ไหมธรรมะของพุทธเจ้า ใช่เรื่องใกล้ตัวไหมใช่ไหมไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องในตัวถ้าใกล้ๆมันยังอยู่ข้างนอกอยู่ใช่ไหมมาวางแก้วไว้ใกล้ๆเลยนะพะพุทธเจ้าบอกว่าอเป็นผู้มีปกติตาความรู้สึกตัวน เห็นกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่อะไรนะคือท่านกล่าวถึงคนคนหนึ่งโดยแยกสาภาวะแห่งการเฝ้าสั ง, งเกตดูเท่านั้นเองจริงๆพูดถึงคนเนี่ยพูดได้หลายแบบพูดแบบขันห้าพูดแบบรูปนามพูดแบบหนึ่งในนั้นนะ่ะในกระบวนการปฏิบัตมิมรรควิธีอันหนึ่งท่านแจกคนออกเป็นสี่ส่วนเพื่อการสังเกตที่เรียกว่าสติปัฏฐานสีก็คือแจก อาการที่เป็นไปในสมมุติเรียกว่าเรานี่จริงๆเราไม่มีนะมีแต่กระบวนการที่ประกอบกันเข้าเหมือนขวดกับน้ำกับฝาเนี่ยนั้นส่วนที่เป็นสภาพที่เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมก็คือแจกสภาพของคนออกมาทิ้งความเป็นคนออกไปให้เหลือแต่สภาพธรรมชาติอันนี้ที่จะได้เฝ้าดูเท่านั้นนั้นตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยบทแรกใช่ไมท่านบอกว่า เป็นผู้มีปกติเห็นกายเวทนาจิตธรรมนั่นคือปฐมบทของสติปัฏฐานสีแล้วท่านบอกว่าเป็นผู้เห็นกายกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆแม้พูะเจ้าไม่บอกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาสภาพอันนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาอยู่แล้วโดยสัจจก นั้นเพียงแต่เราเข้าไปสมมุติไปสำคัญอนั้นเฉยเฉยยมเวลาไปปรากฏต่อหน้าลูกยมเป็นอะไรเป็นแม่ถ้าไปปรากฏต่อหน้าน้องยมเป็นเป็นพี่ถ้าไปปรากฏต่อหน้าเพื่อนโยมเป็นถ้าเราคือสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดเราจะยิงต่อต่อสิ่งที่เข้ามาบอกว่าเราเป็นอะไรแต่จริงๆเราเป็นอะไร ถ้าถามว่าโยมเป็นใครหรือเราเป็นใครเนี่ยเราจะสามารถตอบได้เยอะนะฉันเป็นใครฉันชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เป็นลูกของคนนั้นเป็นลูกของคนนี้มีการศึกษาตอานั้นท่านี้อะไรต่างๆมั้ยนี่คฉันเป็นใครถ้าอะไรเป็นฉันเนี่ยจะตอบไปยังไงอะไรเป็นเราเราเป็นใครเนี่ยตอบได้ผมชื่อแดงชื่อดำมีแฟนแล้วเอ่อทำงานอันนั้นอันนี้เป็นลูกคนนั้นคนนี้อเนี่ยนี คือใครเป็นเราเป็นใครคนทั่วไปเนี่ยจะรู้มิติแห่งความเราเป็นใครการรู้ว่าเราเป็นใครนี่คือรู้โดยความเป็นสมมตินั้นสมมติจึงครอบเราไว้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเวลาก็จะถามเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ความรู้สึกภาษาพูดมันก็ตอบย้ำความรู้สึกฉันเป็นนั่นฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่นั้นบทบาทในทางในทางโลกในสังคมทั้งหมดความจริงเชิงสมมติจะเป็นอย่างนี้ นั้นเมื่อมา่อเรารู้การเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยจึงเพิกถอนความความจริงเชิงสมมติออกทั้งหมดหลงวงปู่เทียนท่านสอนให้เคลื่อนไหวนี่โดยที่สุดไม่ใส่แม้แต่การบริกรรมใม่ๆเราคงเคยฟังประวัติหลวงปู่เทียนบ้างท่านไปฝึกแบบเคลื่อนไหวนี้มันจะมีคําบริกรรมตีงเวลามันเคลื่อนหยุดก็นิ่งทํช้าชา้าตีงนิ่งตีงนิ่งคือใส่ อาการอาการเคลื่อนไหวนี้มีอยู่จริงแต่สำทับชื่อมันลงไปหลวงพ่อเทียนท่านรื้อสิ่งเหล่านี้ออกทั้งหมดให้รู้เข้าไปตรงๆเพราะจริงๆนี้คําว่าตีงคำว่านิ่งมันมันเป็นสิ่งที่ภาษานี้จําเป็นสําหรับบุคคลสองคนขึ้นไปเมื่อจะพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะมันไม่อยู่เฉพาะหน้านะแปลวขวดน้ําปลาที่โรงครัวมาให้หน่อยมันจําเป็นเพื่อสื่อถึงสิ่งสิ่งนั้น แต่สําหรับตนเองนั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องใส่ภาษาให้มันนั้นเวลาเรานั่งนั่งล้วนๆเคลื่อนไหวล้วนๆก็พอพอไหวปับ๊บรู้ปับ๊บไหวปับ๊บรู้ปับ๊บง่ายๆเคลื่อนง่ายๆนั่งดูง่ายพระเจ้าบอกไม่ยากนะใช่ไหมบทแรกนี่มเมื่อนั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่านั่งอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างไรย่อมรู้ตัวถึงกาย น, านั้นด้วยอาการอย่างนั้น ยังสำทับไปด้วยยาวะเดวะยานมตายะเพียงเพื่อรู้คาว่าเพียงเพื่อรู้ดิแปลไทยเป็นไทยว่ารู้เฉยๆนั่นเองรู้เท่านั้นก็พอไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านั้นเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยรึกว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งอยู่นี่เท่านี้เองเท่านี้ในความเท่านี้แหละถ้าเท่านี้เราสนิทแนบนั่นกับสภาวะเท่านี้เนี่ยจะเป็นความสมบูรณ์ หลวงพ่อเตีนท่านเคยกล่กาวถึงเรื่องว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นฟ้ากลมดินฟ้ากลมดินแปลว่าครอบจั ก, กรวาลแปลเลาวเพนไทยนะครอบจั ก, กรวาลในความรู้สึกตัวตัวเดียวน้อยๆเนี่ยถ้ามันสั่งสมกันเข้าสั่งสมกันเข้าอย่างเพียงพอมันจะแสดงพลังของมันขึ้นมาเป็นความตื่นโพลงที่เห็นกายกับใจไปด้วยกันล้นล้วนล้ น, ล, นล้วนเนี่ฉะนันลองตั้งใจทําดูอา่า วิธีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีมากนะักไม่มีประยัดอะไรหลากหลายโดยที่สุดแม้แต่ที่อาจารย์ท่านพูดหรือผมเมื่ออัตมาเองกาลังพูดอยู่เี่ยคุณฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณพลิกมือรู้เวลาความคิดเกิดขึ้นคุณเห็นแล้วคุณปล่อยมันไปแล้วรู้ตัวรู้ตัวแล้วคุณตามย้าตามส้าสภาพอันนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าไว้เข้าสภาพเป็นความคุ้นชิน มันจะเปลี่ยนสภาพจากความหลงมาสู่ความรู้อันนี้โดยไ ม, ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ก, การคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุมีผลอะไรคุณไม่ต้องตั้งคำถามหรือหาคำตอบอะไรในระหว่างการกระทาทำลงไปตรงๆ ร, รู้ลงไปล้วนๆง่ายๆอย่างนั่งแต่พกสัมผัสพื้ น, นรู้ง่ายๆไม่มีอะไรยากมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วคุณไม่ต้องใส่ความคิดความเห็นอะไรไม่ต้องยกตยลักขึ้นมาพิจารณาไม่ต้องารูปนามนามรูป ก็เลาประสบการณ์ให้กันฟังสักนิดหนึ่งนะช่วงอาตมามาฝึกใหม่ๆเมื่อปี 2,536,17,18 ปีที่แล้วเรากเ็เป็นแม้บวชแล้วนะก็ยังไม่รู้เรื่องศัพท์ศาสน า, สาศาสนาเต็ไมไปด้วยศัพท์เทคนิคมากมายนะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขงังอนัตตารูปนามนามรูปยุ่งเลยพอ่พอๆก็ฟังภาษาคำเขียนั่นแหละ ม, ไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ท่านบอกว่าให้ทาอย่างนี้ ไม่ๆทำไม่ถูกจังหวะด้วยซ้ำไปโหบทสนทนาในหัวเรามันจะเยอะแยะไปหมดเลยอ่าถ้าไม่คิดมันก็จะง่วงไม่ง่วงก็คิดทำบู๊บู๊ไปงั้นแหละทำไปอาใส่อยู่ในสภาพแวดล้อมของหมู่คณะทำได้เจ็ดวันมันเกิดปรากฏการณ์แปลกๆช่วงนั้นมันตอนเที่ยงไปอาบน้ำมันร้อนทำมาได้เจ็ดวันเนี้ย เราเดินไปเราจะคิดว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพื่อนหนึ่งเราเร า, เราจะพุ่งความคิดเราพุ่งออกไปหาคนนั้นคนนี้ตลอดพอจับขันน้ําป่ามีกล้กับใจมันทำกันพอดีเลยความคิดที่มันวิ่งวิ ง, ว, งวิ่งเป็นเส้นมันหยุดตึ๊บไปเลยมันเงียบปึ๊บไปเลยเห็นแต่ตัวเองล้วนๆอยู่อย่างนี้เ อ, อ้าอะไรนี่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นคือการเจอมันครั้งแรกที่ความรู้สึกตัวปลอบเปลา่ามันโผ่พ้นความคิดความซึมออกมา แล้วก็ยังไม่รู้นะว่าเขาพูดว่าอะไรฟังเทศก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่รู้สึกว่ามันจำจำตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยปกติโหดตีละครตีสี่เรางัวเงียมากเลยนะไม่อยากลุก อ, อึดพอลุกมาก็เอาคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนคนนั้นไปหรื อ, อยังวะมันจะยุ่งไปกับคนอื่ น, นจิตก็น่าจะพุ่งออกว่าพอเจออันนี้เลยตัดสินใจตามท่านอาจารย์มาปฏิบัติต่อพอมาปฏิบัติต่อเนี้ยก็ยังฟังธรรมะไม่รู้เรื่องท่านก็เทศดีๆอย่างนี้นะทุกวันทุกวัน ชาเย็ยนชาเย็ยนแต่เพื่อนในบรรยากาศอาตมาอยู่ที่วัดแพร่แสงเทียนจังหวัดแพร่ท่านอาจารย์ก็ตอนนั้นท่านไปสร้างวัดที่จังหวัดแพร่เมื่อปีสามห้าอาตมาไปอยู่ปีสามหพระเด็กๆพระเก่าแก่สามสิบกรุ๊ปนะช่วงนั้นเป็นกุติยาคาโปร่ ง, รอ ง, รองมองเห็นกันตื่นมาตีสามตีสี่ 4. น้ำค้างหล่นป๊กแป๊กปอกแป๊กนีไ่ได้ยินแต่เสียงรองเท้าเดินตรงนั้นทักทัก ท, ท, ทจุดเทียนมองไปตรงนั้นก็เดิน คือบรรยากาศอย่างนี้มันมันเร่งเราให้เราทําขี้เกียจก็ต้องทําขยันก็ต้องทําเพราะเพื่อนก็ทําหมดไม่รู้เราจะทําอะไรก็ตื่นขึ้นมาเดินกับเขาเดินพระเกศแ ก, ก่อายุหกสิบเจ็ดสิบเดินชมกรมสร้างจังหวัดเราอยู่ที่วัดบ้านเป็นพ้าห น, นุ่มๆแล้วจะนั่งคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องอะไรพอมาเจอบรรยากาศแบบเนี้ยมันมันมันกระตุ้นให้เราทําทําไปทำไมเนียนน้อยเนี่ยอายุ สิบสองสิบามอันี้ครับลวงพี่รู้รูปนามหรือยังเนนเล็กๆนะมาถามเราว่ารู้รูปนามหรือยังผมรู้แล้วนะมันว่าอะไรว่ารูปนามเราก็ยังคิดว่ารูปก็คือรูปภาพนนะนามมันก็คงชื่อมันยังก็เขียนใช่ไหมภาพนั้นภาพนี้เรายังคิดว่าเออไม่รู้เรื่องศัพท์ศาสนานี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่มันเน้นมาถามอย่างงั้นเราก็ไม่ตอบว่ารู้ไม่รู้นะกลัวเสียฟอร์มแล้วก็มันรู้ได้ มันรู้ได้จริงๆนะลือแต่ไอ้ที่เราฟังน่ะไม่รู้เรื่องแต่เราสนอาการที่เราเจอแว บ, บๆในช่วงนั้นมันคืออะไรแล้วช่วงนั้นเขาเปิดลงพเทียนว่าถ้าใครตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกาสิบวันหนึ่งปีถึงสามปีความทุกข์จะลดลงหรือหมดไปแปลกมากเราก็คือก็จะว่าไม่ให้บวดแล้วก็ไม่ได้คุ้นชินกับ กับธรรมะอะไรพุระเจ้ามากนักเพราะว่ามันก็ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าอะไรมันมาคิดว่าเอ๊คือหลักสูตรเนี่ยของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีการรับประกันการจบหลักสูตรด้วยหรือเราเคยได้ยินแต่เรียนอนนั้นจบสามปีอะไรต่างๆเลยแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็มีการรับประกันผลว่าคุณทําอย่างถูกต้องภายในเท่านี้ปีเท่านี้ปีผลรับของการปฏิบัติจะปรากฏออกมาซึ่งไม่เคยได้ยินเลยเราจะยินแต่เรื่องเทเส็ สังสมบุญกุศลไปาชาติหน้าจะเกิดอนุตนนี้แบบประเพณีวัฒนธรรมนั้นพอเราเจออันนี้พับแล้วก็หลวงพ่อเทียนพูดคําเนี้น่าสนใจหลวงตาแก่ๆรูปนี้พูดแล้วยืนยันว่าถ้าคุณทุ่มเทกับการศึกษาคุณจะเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันจะลดลงหรือมันไม่มีจนเพิ่งมาสวดสติปัฏฐานสีที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยอา้าวพระเจ้าก็รับรองไว้มันกันนี่ จริงๆหน้าน่าลงทุนมั่นกันนะคุณเรียนจบอะไรไตีหรือโทรโท ร, โทรจากกี่ปีจบโทรนับไปตั้งแต่อนุบาล <laughs> อนุบาลสามปีปหกอีกหกปีเก้าปีเลยนะ <laughs> มามัธยมเอกหกปีเป็นเท่าไหร่ เก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าตรีอีกสี่ปีใช่ไหมสิบเจ็มาบวกอีกสิสิบเก้าสิบเก้าบวกอีกโทอีกเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบเอ็ดปีบางทีนะอาจจะไม่ใช่คุณนะเราเคยเจอคนจบปริญญาตรีปริโถยี่สิบกว่าปียังว่าเนี่ยตุ๊กแกยังกลัวอยู่เลยนอนคนเดียวก็ไม่ได้กลัวผีอะไรน มันโง่ขนาดนั้นเลยคือ <c oughs> จริงๆนั่นเป็นเพรทุกนะไม่ต้องพูดรายละเอียดระหว่างวันเราเราขุนใจบ่อยๆเราถูกบีบคั้นคือเราระดับนี้แล้วเราอชีวิตมันมีสองด้านใช่ไหมละ่ะคือหน้าที่การงานที่สมัยเรายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติยังไม่เจอความทุกข์นี่เราก็มีความคิดถ้าเรามีเงินมีทองรับรวยสักสิบล้านร้อยล้า น, านถ้าเราฝันปรุงแต่งไปเราคงมีความสุขนะใช่ไหม แต่จริงๆเราดูคนที่เขามีแล้วหรือเรากำลังมีอยู่เนะี่ยมสุขหรือเปล่าสุขเหมือนกันนะสุขสุดิบดบนะนะั่นแหละใช่ไหมใครที่ไม่โกรธเลยไม่งดหยิดเลยมาเป็นปีแล้วยกมือขึ้นหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ไม่เคยงดหิดเลย เดือนหนึ่งผ่านมาแล้วไม่งดหยิดเลยยกมือให้ดูหน่อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยังไม่เคยงดหยิดเลยไม่งดหยิดเลยเอาไม่มีเลยเหรอวันนี้ใครไม่งดหยิดเลยยกมือขึ้นอ๋มีอยู่คนหนึ่งงดหยิดมันมีหลายระดับนะว่าเพจ เอกาอารวยวายนี่เต็มทีล่ละไปเพีคุณคุนทำไมอย่างนั้นนะทำไมอย่างนี้นะไปะเพียดไม่ได้ดังใจไปเพีแค่รําคาญไปเพทยดแค่เบื่อเบืเ่อเบื่อเป็นภาวะโทสะชนิดมีหลายระดับนะโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นกิเลสเครื่งองเศร้มองจิตเนี่นะบางทีเราก็คิดว่าฉันก็เป็นคนไม่ค่อยโกรธแต่เราก็จะขี้บ่นน้อยใจเพาวะว่าน้อยใจนี้เป็นโทสะนะอย่างเนี้ย ความพอใจไม่พอใจนี่แล้วนะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในชีวิตของเรานะจริงๆถ้าแค่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อุอน่นมีสุขภาพที่แข็งแรงชีวิตนี้มันก็น่าจะเพียงพอใช่ไหมถ้าอยากหาความสุขแล้วก็หาหนังดีๆมีสาระวรรณกรรมดีๆมาอ่านนะปลื้มใจแต่ยิ่งชีวิตไม่แค่นั้นนะเราจะต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเงินร้อยล้านมีความหมายไหมคนรวยๆก็มีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลดีๆเลือกหมอดีๆถ้าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งกระดูกนี่นะคนที่จนๆหน่อยหรือชาวบ้นธรมธรมดาอาจจะมีสิทธิ์เลือกน้อยกว่าอาจจะนอนห้องธรรมดาไม่ได้มีโรงพยาบาลส่วนตัวหมอพิเศษอะไรนะ แต่คนที่เป็นมะเร็งกระดูกนอนห้องธรรมนากับนอนห้องพิเศษนี่คนนอนห้องพิเศษนอนยิ้มหรือเปล่าไม่ได้นอนยิ้มหรอกนะเพราว่าอันเดียวกันแต่เขามีสิทธิ์เลือกในเรื่องสภาพอาศัยได้มากกว่าเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงอันนี้ไม่ต่างกันนี่ความทุกข์ทางกายนะยิ่งความทุกข์ทางจิตด้วยเราความอึดอัดความโกรธความรัก วันนี้เยอะไปยินโยมถามหลวงพ่อความคิดบวกอผมเคยได้ยินกันนะแต่ามาเป็นหลวงพี่บนนอกไม่ค่อยได้ยินไม่ได้เรียนอะไรมากคืออืถ้าคิดบวกไปมากๆจะมีมีความสุขได้คือในความเป็นจริงเราไม่สามารถคิดบวกได้ตลอดอ่ะมันคือพอกระทบปั๊บมันทุกแล้วนะเราก็ปรับด้วยวิธีคิดใช่ไหมมันจะต้องทุกข์ก่อนก็ปรับวิธีคิดยิ่งคิดบวกมากๆหรื อ, อ พรเจ้าเคยตรัสเรื่องว่าที่ใดมีรักที่นั้นมักมีโศกที่ใดมีรักที่นั้นมักมีภัยเมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะชวนอาตมามาด้วยอาตมาไปเดินทวดงลงไปทางตอนออกถึงขึ้นมาทางนั้นรถกลอนอ้อยสิบล้อเหยียบเด็กหญิงอนุบาลสามขวบสมองเละเล เราได้ยินข่าวเป็นไงสลดใจนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเด็กอนุบาลสามขวบคือหลานสาวของคุณความคิดเนื้ออาการของคุณจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะจะรุนแรงถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นไกลตัวเรารู้สึกแค่เศร้าใจด้วยนิดๆหน่อยแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยสภาพความยึดถือเหล่านี้เนี่ยความรู้สึกเป็นของเราความรู้สึกเป็นเรา นั่นบุคคลที่เ จ, จริญสติอย่างอย่างมั่นคงได้รับผลดีเนี่ยท่านบอกว่าอันนบเล่ต้งเป็นผู้มีความสันโดษเรียบง่ายไม่ครุกทีเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายไม่ครุกขีสองด้านบอกว่าเป็นผู้มีฮิริอัตปะเป็นพื้นฐานของจิตเห็นว่าทุกครั้งที่ปรุงแต่งและสร้างมอง r ขึ้นมาเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องไม่น่าเอาไม่น่าเป็น แล้ก็เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในวัฏสงสารอยู่เป็นประจำเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องน่ากลัวนะการเวียนแล้วๆซ้ํำๆนะไอภายนอกร่างกายที่เวียนว่ายตายเกิดเราต้องแก่กันทุกคนนั่นแหละต้องเจ็บต้องตายมันยมว่านนะออกไปจากบ้านไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าถ้าเราใส่ใจเราลึกได้อย่างนี้ทําให้เรากระตุ้นเย็นความจําเป็นของการเจริญสติ ที่สําคัญไอ้วัตตาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดระบบเกิดครั้งหนึง่งตายครั้งหนึง่งเข้าท้องแม่ครั้งหนึง่งเกิดครั้งหนึง่งมันยังห่างนะไอ้วัตตาสงสารที่ท่านกล่าวถึงจริงจริงไมถึงว่าวัตว์วนไถในจิตของเรานี่เดี๋ยวก็ซึมเศร้าหดหัวอีกแล้วเกลียดข้านเบื่อนายท้อถอยอีกแล้วฟวุ้งซ่านคิดอะไรไม่จบไม่สิ้นแล้วเดี๋ยวโกรธหงดหิดคิดเรื่องนั้นนึงน คือภาวะที่วนเวียนซ้ำซ้ซซักซ่างภาวะที่ผ่องใสปลอดโปร่งในขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแล้วมีกี่นาทีน้อยมากคนทั่วไปนะที่น่าเสียใจเพาไปน่าเกตกย บ, บันตวเองเป็นที่สุดถ้าเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่สามารถสร้างภาวะนี้ขึ้นมาได้เนี่ยถือว่าคนนั้นซวยยิ่งกว่า ซ้ำรถถูกหวยแล้วทําลอตเตอรี่หายนะั่นช่วยซ้ําสวยสอนเพราะว่าวัตถุสงสารอันยืนยาวนั้นโอกาส ท, ที่ที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้พบพุทธศาสนานั้นยากกว่าการได้เกิดอีกนะเมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษ ย, นนษย์พบพุทธศาสนาแล้วจะยินดีสู่การประพฤติปฏิบัตินั้นยากในเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ญาติพิตน้องเรามีสักกี่คนที่อยากจะมาปฏิบัติทำ ร้อยคนพันคนจะมีคนอยากปฏิบัติธรรมจริงๆสักคนหนึ่งอเอ้าดูเพื่อนร่วมงานในหมู่คณะแม้แต่วงยาย่เรกมีใครชวนกันมาปฏิบัติธรรมน้อยเนี่ยคนหนุม่มนมมานี่ถืว่ามีบนเก่าเยอะจำใจมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มาได้บนเก่าหนุนมานะร้อยคนพันคนจะมีคนอยากปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะ ร้อคนพันคนที่อยากปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้มาตามอยากแค่คนเดียวบางคนเตรียมการแล้วนัดเพื่อนไม่เรียบร้อยแล้ ว, แ, ลวแม่ป่วยงานไม่พร้อมลูกอันนั้นนี่แทรกไปหมดนะเอาแต่พวกเราเถอะนะล็อกไว้เท่าไหร่ถึงจะลงตัวตรงนี้ใช่หมหนะ้าที่การงานทางสังคมร้อยคนพันคนที่อยากปฏิบัติธรรมนั้นได้มาตามอยากคนนึง รอยคนพันคนที่อยากปฏิบัติทำแล้วได้มาตามอยากมีคนทำจริงอยู่คนหนึ่งเล่านั้นก็ทาตามกระแสคนนั้นไปถูกกระตุน้นเร้งเร้าให้ทำที่กระตือรื้นจริงๆอยากเรียนรู้จริงๆอยากเข้าใจมันจริงๆอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านไหนจริงๆมีคนหนึ่งในร้อยคนพันคนที่ได้มาตามอยากแล้วตั้งใจจริงๆนะได้รับผลทุกคน แต่จะได้มากได้น้อยตามกําลังวิริยะอุตสาห์ของอีกคนด้วยนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ในเส้นทางของการเจริญสตินี้มีรางวัลให้คุณเก็บมากมายนะไม่ใช่ต้องมาเบื่อมาเซ็งมาฟุ้งมาคิดเยอะอยู่อย่างงี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันทนะุกวันเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวง่วงอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนมาไหนอาตมาคงไม่ทํามาสิบแปดสิบเก้าปีคงกลับบ้านไปนานแล้วนะมันต้องอร่อยขึ้นเรื่อยชีวิตทั้งโลกเขาบอกว่ามันเหมือนการกินอ้อยทาง คนไปหาปลายชีวิตทั้งโลกนะเอาชีวิตคู่ครองก็ได้รักกันอยู่ด้วยกันน่ยมันจะหวานแรกๆ ก, ก, ก็จะจีดไปจีดไปจีดไปฟืดคอไปเรื่อยๆจินว่าจะคนไปหาปลายนะแม้แต่ทรัพย์สินสิริขันก็เหมือนกันแหละพอได้มาได้มาอบางคนบางคนหาเงินหาทองมาแผนไว้จะไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้ไม่มีอะไรไปตอบสนองอายตนะท่านั้นเองไม่มีอะไรนะไปไปมาม า, มาก็เจียดก็เหนื่อยก็ละไปมันก็เส็งเท่านั้นเอง ทั้งโลกเวลาเสียไปก็จะเจืดไปเรื่อยเจือดไปเนี่อยแต่ทางธรรมในมันเหมือนกินอ้อยทางปลายไปหาโคนไม่แม้มจะฝืดคอหน่อยง่วงทั้งเบื่อทั้งเสีนงเหมือ น, นไม่เข้าใจว่าจะได้อะไรนะแต่กินไปมันจะหวานไปหวานไปหวานไ ป, นไปยิ่งกินไปเรื่อยนม่หยู่นะหวานไปเรื่อยนะอาจจะเป็นคําโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคุณอย่าเพิ่งเชื่อคนจริงถึงจะรู้ของจริง คือสัจจะนี้เป็นเรื่องของคนจริงคนจริงไม่ใช่คนซีเรียสนะคนจริงอาจจะร่าเริงผ่องใสคนซีเรียสอาจจะไม่ใช่คนจริงกนะ mm hmm. จริงอาจจะังสองวันลากรับก็ได้นะคืออยากเรียนรู้จริงอยากศึกษาจริงกระตือรือร้นที่จะจะเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนเนี่ยนั้นเรื่องการเจริญสตินียจะมีผลมากอันนั้นช่วงใหม่ๆนี่นะอันทมาฟังยอดยมที่คุยกันมันได้ มีมีพื้นฐานดีถ้าตั้งใจทำเนี่ยความรู้จากการได้ยินได้ฟังมีสัดส่วนทำให้เราทองช่วยให้เราสะดวกในการทำคอมเพียนเท่านั้นเองนะการได้ยินได้ฟังนะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะเป็นภาระด้วยซ้ำไปเป็นขยะชิ้นดีที่คุณไม่อยากทิ้ง เนีปฏิบัติไปปฏิบัติเดี๋ยวก็จะคิดเรื่องธรรมะบทนั้นบทนี้วิเคราะห์อันนั้นอันนี้บางคนนะธรรมะไปเจอพระพระเองก็ชอบสะสมขยะเกจเอไว้เยอะจะฟังธรรมะอาจารย์โน้นอาจารย์นี้มาเดินก็ตีกันยุ่งเลยพอมาปฏิบัติถึงช่วงหนึ่งพอรู้สึกตัวได้ดีผ่านง่วงผ่านเบื่อได้หน่อยแล้วขยะพวกนี้จะโผล่มาคิดธรรมะบทนั้นคิดธรรมะบทนี้อยากเอาธรรมะบทนั้นไปเผือ่อแผ่คนนั้นแจกก๊อปปี้เทียบคนนั้นคนนี้ เาโยมก็อยากสร้างสำนักแตไวา้สร้างกุฏิแตไวาย้ยุ่งเลยพอตัวนี้โผล่ขึ้นมาปั๊บสภาพเปล่าๆจะหายไปนั้นเวลาคุณปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นให้ทำซื่อๆทำเฉยๆไม่ต้องเอาผิดเอาถูกอะไรในขณะที่ทำไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องมีความคิดความเห็นอะไรรู้สึกตัวลุ้นล้ว น, ล, นลงไปตรงๆไกลยไหวใจรู้ไกลยไหวใจรู้ทำมากๆขยันทำ ทำจนมันเปลี่ยนสภาพความไม่รู้ไปสู่ความรู้เป็นอัตโนมัติโยมเห็นภาพบุตรูปนั้นไหมในขณะที่อาจารชี้ให้ดูนั้นใครขณะที่เลี้ยวไปนี่เห็นคอตัวเองเหลียวไปพร้อมกับตากระดิกนเห็นไหมไม่เห็นมันไปโน่นหมดใช่ไหมคือเราเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไหปด้วยสัญชาตญาณล้วนๆด้วยสัญชาตญาณล้วนๆมานานพิพตารู้ไหมพิพตากี่ครั้งวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราไม่รู้มันใช่ไหมธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆนะเป็นเรื่องในตัวเค่นีสัมผัสภาวะง่ายๆอันนี้การเจริญสติเป็นเรื่องง่ายๆยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้คู่เหยียดเขึ้นไปพิพตาเกินน้ำลหลรู้สึกตัวง่ายๆแค่นี้ ทำไมเจริญสติมันยากยากเพราะมันง่ายเกินไปใช่ไหมพอคุณลืมตาขึ้นมาจากที่นอนคุณจะลืมตาทันทีใช่ไหมไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติศับเนี้ยเวลาลืมตามันก็ลืมตาใช่ไหมไหมาลืมตาใครเห็นลูกตาตัวเองพิบตาอยู่มันลืมตาเลยนะมันลืมตาลืมตาด้วยลืมตัวด้วย พระเจ้าจึงบอกง่ายๆน่ะปิบตาขึ้นน้ำลายเอียงซ้ายเอียงกว่าหลังจากนั้นมันจะรู้ตารู้หูรู้ตาไม่ลืมหูไม่ลื ม, ม, ล ม, ม, ลมตาต้องปฏิบัติตำนะคนุณคงเคยคขาบอกคุณไม่ลืมหูลืมตาถือว่าเป็นคําด่าที่รุนแรงนะใช่ไหมไม่ลืมหูลืมตาเลยคุณโอ้ปาฏิหาริยกันมากคุณก็เลยพยายามลืมหูลื ม, ลมตา พอลืมหูลืมตาก็ตกนรกกันเป็นแถวเลยต้องปฏิบัติธรรมอย่าลืมหูลืมตานะจังเกียรติไหมคุณโกรธพราะเขาด่าหรือเพราะว่าคุณลืมหูลืมตาเสียงอยู่ข้างนอกรูปก็อยู่ข้างนอกถ้านี่คือขวดน้ำถ้ามองมาอย่างนี้ ก็สบายๆนะถ้าขวดน้ำนี่กลายเป็นเสือสร็ตัวขึ้นมาคุณเห็นปับ๊บข้างในคุณจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าขวดน้ํานี่ปับ๊บกลายเป็นหมาเน่าตัวหนึ่งที่นอนนอนย้อยเยี่ยอยยยอยู่นี่คุณเห็นปับ๊บข้างในคุณแปลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าคุณลืมตาคุณลืมหูคุณลืมตัวสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะไม่มีความหมายอะไรเลย แต่การแปลของสัญญาณของเรานี่เป็นปนันหาถ้ามีคนมาด่าคนอย่างรุนแรงเลยนะแต่เขาพูดภาษ า, ขาเขมีนซึ่งมันแปลไม่ออกไงแล้วเขาเขียนภาษ า, ขาเขมีนตัวหนึ่งซงว่าคุณชื่อดำไอ้ดำเรวมากมันทํางานแย่ยังงั้นวิจาร์คุณเต็มกระดานเลยนะแต่เขียนเป็นภาษ า, ขาเขมนีนคุณจะเห็นแต่มหมึกกับกระดานใช่ไหมงุนหงิดไหมไม่ ถ้ามีเพื่อนขอมเมนสักคนแปลให้คุณฟังมาที่นี้ยุ่งเลยใช่ไหมดัง <c oughs> น, นั้นเวลาเราเจริญสติปั๊บเนี่ยเราจะเห็นกายเห็นใจเราทํางานแบบนี้แล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นนั่นการฝึกอย่างนี้ไม่มีอะไรมากไม่ใช่เรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องของการคิดวิเคราะห์บัดมาว่าไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรใจรักอะไรอะไรนี่ไม่ต้องรู้จักชื่อมัน อาการเหล่านี้มันมีอยู่ในคนุณนั่นคุณเราความรู้สึกตัวตัวนี้มันตื่นพลงขึ้นมาใหม่ๆเรายกมือเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างช่างมันนะเบื่อบ้างง่วงบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นนะเรื่องธรรมดาต้องเป็นถ้าไม่เจออันนี้แสดงว่าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมลองไปดูหนังสองชั่วโมงนั่งไม่เกิอดอิกฉาเลยก็ได้ใช่ไหมสบายมากบางคนนั่งเล่นไพ่สองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนที่เลยไม่เปลี่ยนกัะ เ่อันนั้นคือความเพลินการทาตามอานาจของตนาแต่การมารู้เนื้อรู้ตัวปั๊บเมื่อรู้ตัวจะเห็นความจริงว่ามันเป็นทุกข์เวลานั่งอย่างเรานั่งคุยกันอยู่ที่นี่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วปวดเมื่อยมันจะแสดงตัวมันถถ้าเราเพลิงเพินดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์เราจะเห็นอาการทัางกายน้อยมากนั้นเวลาเรามาปฏิบัติตามปั๊บสิ่งที่ต้องเห็นนะ นดัแรกคือทุกต้องรู้ที่เราปิ๊บตาเกืนน้ำลายเอียงซ้ายอย่างว่ายืนเดินนั่งนอนเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวทั้งหมดน่ะมันคือสภาพที่ทนไม่ได้นั้นให้มารู้กายรู้ใจเนี่ยมารู้สึกตัวเนี่ยเพื่อจะสร้างสภาพการเฝ้าดูสัจจกอันนี้นั้นทำง่ายๆนะยกมือนี่ไม่ต้องเอาเหตุผลนะไม่ต้องตั้งคำถามหรือหาคำตอบกับการกระทำเนี่ยไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรทไําโง่ไปงั้น ปฏิบัติธรรมถ้าให้เร็วหน่อยทําโง่ๆได้จะเร็วแต่เอ๊ะอะไรอย่างไรอุ๊อันนี้มั่งคือรูปอันนี้มั่งคือน้ํารูปอันนี้ไตรลักษณ์อันนี้สมมติเอทิษฎีนั่นว่าอย่างงั้นอันนั้นว่าอย่างนี้น อ, นนน อ, ยนอยากอะไรอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดกวาดทิ้งเลยกวาดทิ้งเลยความคิดความนึกเหตุผลอะไรเกิดขึ้นนี่คุณสลัดออกให้หมดถ้าสรุปการปฏิบัตินะสรุปแบบวัตมานะทําความรู้สึกตัวแล้วก็สลัดความคิดทิ้งไปทำแค่นี้เอง ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวปั๊บความยิดเกิดขึ้นสลับออกสลับออกกลับมารู้ตัวทำอันนี้ไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้าไปซ้าไปยังจะถามไปเผื่อเขาอยู่เอาเอาเอาเอาเอานะจริงๆไม่เดีย๋ยวว่าแต่แค่พิกมือเนี่ยจะตีลังกาก็ทำได้รู้สึกตัวเนี่ยแต่ถ้าถามเด็กๆตอนเราเรียนหนังสือใหม่ๆนะยุคยุคคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ยังไงยุคเราน่าจะเหมือนเหมือกัน ตอนเราเขียนกอไก่ฮอนุหูกยังไม่เป็นเนี่ยเวลาแบบเรียนก็จะมีเส้นปลาให้ใช่ไหยปะปะปะปะปลาปลเส้นปลานี้เพื่ออะไรเพื่อจะทําให้เราคล่องตัวในการเขียนกอไก่เป็นดังนั้นอย่าว่าแต่จะพลิกมือเลยไม่ต้องทําอะไรก็ได้ไอความรู้สึกตัวนี่แต่ว่าปฐมบทของการเริ่มต้นของการเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วนน่ยซ้ํามัอนอ่านี้แบบหรือกรอบที่เราเตรียมท่านทําเป็นจังหวะจังหวะเนี่้ มันจะทําให้กายกับใจสัมพันธ์กันมีความตั้งมั่นมีความรู้เนื้อรู้ตัวนั้นที่เราทําเป็นจังหวะจังหวะเนี้ยถ้าเราทําแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าทําแค่นี้นะจิตมันจะซึมเร็วแค่นี้ก็ได้นะแต่ถ้าทําไประยะนานๆเนี่ยคุณจะรู้เลยเหมือนกับดูลมให้ใจมันเบาดูไปดูไปเนี่ย ความตื่นโพงเนี่ยน้ำหนักของการเคลื่อนไหวเขย่าเป็นจังหวะจังหวะมันจะกระชากเราออกจากความคิดได้แรงได้เร็วแต่ถ้าแก่พลิกมือไม่ใหม่จะสบายยิ่งเรายกมือทั้งวันนะหรือว่ามาหยุดกระดิกมือนี่โอ้จะล่งปรง่งลงไปลงไป ล, งไ ป, ลงไปก็หลังอ่ะและ้จะฟุบนั้นการเขย่าด้วยกันสรงจังหวะนี้มันจะเป็นการกระชากจิตออกจากการปรุงแต่งได้ดีแล้วจะทําให้เราข้ามนิวัณ์ได้ง่ายนั้นเป็นสูตรที่ท่านทําไว้หมอแล้วใครจะไปประดิษฐ์อะไรก็ได้เต้นรับก็ได้ ถ้าจะรู้สึกตัวเป็ น, นี่ยนนะไม่ใช่เรื่องอะไรพิเศษแต่ถ้ายังไม่เป็นน่ะยิ่งไปอะไรกับมันมากเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังแห่งการเอ๊ะน่าจะอย่างนั้นเอ๊ะน่าจะางี้ไอ้ภาวะอย่างนี้แหละที่มันเข้ามาก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยพระก็ชอบโยมก็ชอบทําเช่นนี้ก็รู้ตัวนะรู้แต่ถ้าทําอย่างนี้มันก็รู้แล้วรู้อย่างเนี้ยมันมีความมั่นคงกว่าเยอะเนี่ยนั้นในช่วงที่เราฝึกในในรูปแบบเนี่ย ถ้าเราทําอย่างนี้มันจะมีความหนักแน่นมันจะมั่นคงหลังจากนั้นพอเราไปประยุกต์ในการในงานปั๊บเนี่ยทําได้เลยนะได้คำตอบหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าเขาถามมาเออทำไมต้องยกมือฉันทําอย่างนี้ก็ได้มันก็มีหลายคําตอบอืทําอย่างนั้นก็ได้คนบางคนทำไปแต่คนบางคนเราก็จะให้เหตุได้ผลมันอยู่ที่ว่าเขาถามเอาอะไรตอนนี้บางคนก็ถามเพราะไม่อยากทํา ก็ไม่อยากทำก็โง่อยู่นั้นก่อนไม่ว่าอะไรกัน <c oughs> เขาปล่อยเขาไปานะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้จะเห็นคุณค่าของมันยิ่งเราทำทั้งวันนะโดยประสบการณ์อาตมาว่าถ้ามีความตั้งใจมีความซื่อตรงขยันทำความเพียร น, นะเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนรับประกันเลยเดินจงกรมสร้างจั จะเบื่อจะง่วงจะฟุง้งจะคิดเยอะอะไรอย่าไปยุ่งกับมันใหม่ๆนะแม้เราเคยประสบภาวะรู้ตัวตื่นตัวมาบ้างแล้วเนี่ยอืความคิดมันทันความคิดบ้างแล้วเนี่ยก็อย่าไปยุ่งตรงนั้นให้ทําเหมือนเราทําใหม่ๆนี่เคลื่อนไว้รู้รู้ง่ายๆรู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วทิ้งไปความคิดเกิดขึ้นไปไปไ ป, ไปให้สภาพตัวนี้มันเรียงตัวกันเข้าเรียงตัวกันเข้าสารกันเข้าเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้เส้นเดียวมันไม่เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ มูลี่มูลีมูลีถ้ามันเป็นเส้นเดียวเป็นมูลี่ไหมมันไม่เป็นแต่ถ้ามันหลายอันนะมันจะเป็นมูลี่จะทำหน้าดีกันอะไรนะความรู้สึกตัวน้อยน้นี่ยถ้ามันยังนิดเดียวมันยังไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราตามย้ําตามซ้ําตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอนนะตื่นขึ้นมาปั๊บล้างหน้าแปรงฟันให้ใส่ใจเผอเราก็เริ่มต้นใหม่เผอเราก็เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําอยู่ไปไหนมาไหนถ้าทําอยู่อย่างนี้นะสามวันสี่วันห้าวัน ผลลับจะออกมาชัดเจนแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันมันจะได้ผลไม่ชัดได้ผลไม่ชัดอันนี้มันเป็นเพียงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติชนิดหนึ่งนะมันไม่เกี่ยวกับความเป็นพุทธไม่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดนะอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ชนิดหนึ่งเมือม่อเมือม่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อท่านพาไปอบรมมีฝรั่งคนหนึ่งมาทำชาวอังกฤษนงไงม่ พูดไทยได้นิดๆหน่อยๆเคยบวชอยู่ที่วัดหนองประพงศ์วัดสาขาหนองประพงศ์วัดนานาชาติปีหนึ่งแล้วก็เขาทําอนาปามาห้าปีเขาทำสองวันเท่านั้นนะเขาวิ่งออกมาบอกเลยเอ้จิตเราทําไมมันจุ้จี้จี้ทำไมมันไม่อยากอยู่สุขเลยเขาจะเห็นจิตเขาเพี่ยนพ่านเพี้ยนพ่านนักถอยออกมาพอเขาทำสามวันเขาจะบอกว่าความรู้ตัวตื่นตัวเขาชัดเจนมากความคิดโผลมาปั๊บก็ผ่านผ่านผ่านเขาจะบอกว่า วันสุดท้ายก็ถามอัตมาทำไมพระในเมืองไทยไม่มายกมือสร้างจังหวะเพราะว่าเขาทำอั น, นั้นห้าปีนี่ยเขาได้ความสงบนิดหน่อยแต่นี่สงบมากเจ็บเจีนมากคำถามนี้ก็ตอบไม่ได้แลนะ้วเนาะคนมาเห็นนี่ใหม่ๆก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันน่าทำนะแมธแต่ามามาใหม่ๆก็ยุรู้สึกว่าไม่น่าทำไม่รู้ว่ามันจะเกิดสมาธิได้ยังไง จริงๆเราไม่รู้จักด้วยซ้วสมาธิคืออะไรเรารู้จักแต่ท่าทางวิธีนั่งหลับตาพูดโธบ้างอานาป่าบ้างแม้แต่ยกมือนี้ก็ไม่ใช่สมาธินะคนเลือกสมาธิเป็นอาการของจิตโน้นจิตที่มันถอยออกจากความคิดได้อย่างฉับไวนั้นแล้วมันทรงตัวอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมั่นคงอันนี้มันต้องฝึกไปนะนั้นในเอา้าที่กล่าวคุยกันมาทั้งหม ด, ดทิ้งไปได้เลยนะ ที้ไม่ได้เลยทําแบบนักพิสูจน์เลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนเนี่ยทาเล่นๆ เ, เคลื่อนไหวไกลไวใ้ใจรู้ทําที่นี้ก่อนความคิดเกิดขึ้นปล่อยทิ้งไปเลยนะล้างหน้าแปรงฟันไปนไหนมาไหนเผลอแล้วก็ชักมันเริ่มตนน้นนับหนึ่งใหม่เสมอตามย้ําตามซ้ําสภาพอันนี้ให้เกิดความคุน้นชินกายกระใจายให้มันไปได้วยกันกลายทำไรใจทํำ น, นั่นกลายทำไรใจเผลอแล้วก็แล้วไปกินข่าวล้างหน้าแปรงฟันเดินจงกรมนี้ซ้อมให้มากๆ ไม่หมายแค่แตะพื้น แ, แปะแปะแปะไม่ต้องเอาเยอะพอเริ่มรู้สึกว่ามันแปะแปะอยู่ได้ที่แล้วให้รู้ทั้งตัวดูดรวมรวมแม้แต่ยกมือมันก็ไม่ไม่ถ้าใครความคิดยั ง, ย, งยาวยังวิ่งยังง่วงยังเทึมอยู่ให้ให้รู้เป็นจุดให้มันม่นยับมั่นคงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแต่พอมันเริ่มอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วให้รู้ทั้งตัวเลยปับป๊บปั๊บให้ให้การเคลื่อนไหวมือนี่แหละเป็นประธานแต่ให้เห็นอาการพร้อมๆร้มรวมรวม ไม่ต้องไม่ต้องจ้องที่ตรงนี้มากให้ทําซ้ํำๆอยู่ตรงเนี้ยวิธีการเจริญสติกเนี้ยมันอุปมาเหมือนวิธีพิมพดิตนะเคยเคยเคยฝึกพิมพ์ดีดไหมไม่เคยก็น่าจะเห็นบ้างใช่ไหมคือทฤษฎีไม่มากหรอกพิมพ์ดีดเขาต้องการทักษะคือการซ้ำํำบ่อยๆฟอหอกอดออีกอาร์ออกซ้ำๆๆๆๆชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปชั่วโมงที่สองผ่านไปชั่วโมงที่สามผ่านไปพิมพ์แป้นพิมพ์อันเดิมนะั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างไปคืออะไร ความคล่องแคล่วความชำนาญและความเป็นความรู้สึกตัวอันนี้มั่นกันไม่เกี่ยวกับทฤษฎีไม่เกี่ยวกับเหตุผลไม่เกี่ยวกับความเข้าใจภาษาแม้พูดกันไม่รู้เรื่องก็ตามอันนี้มันเป็นเรื่องการตามยำ้ำตามซ้าให้เกิดสภาพเปลี่ยนจากความหลงความหลงมาสู่ความรู้ตัวเราพริบตาไม่เคยรู้เลยเรานั่งไม่เคยรู้เลยรูน้อยมากรูน้อยมากแต่พอมาทาอันนี้มันจะเป็นเปลี่ยนสภาพ การเคลื่อนไหวให้รู้อย่างผู้เจ้าท่านสอนนะ่ะยืนเดินนั่งนอนให้รู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวหกินดืม่มเคี้ยวลิ้มถ่ยอุดจาระปัสสาวะให้รู้ตัวทั่วพร้อมทฤษฎีของพระเจ้านี่เป็นเรื่องของการเอามาทําเมื่อสร้างความชํานิชํานาญในนี้เมื่อสภาพการชํานิชํานาญมันรวมตัวระดับหนึ่งมันจะแสดงผลมันออกมามันจะแสดงผลมันออกมาแสดงผลมันออกมาขอให้จุดให้มันติดซะก่อนนั้นไม่ต้องรู้หรอกทฤษฎีนี้ฟังอาจารย์ เหลือตามาพูดี่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ช่างแต่ดูเหมือนพระท่านจะเข้าใจดีนะสังเกตเข้าใจดีกว่าตามาเลยนะ่สังเกตทําเรื่องรูปนามนามรูปเรื่องอะไรตามาไม่รู้ไม่รู้เลยแต่อาการอันนี้จังจั ง, จ ง, จงช่วงนี้ตามาทำใหม่ใหม่เหมือนกันไม่รู้เลยว่าท่านพูดว่าอะไรแต่รู้ว่าไกลยไหวใจรู้นี่ทำอย่างเงี้ยทํำนี้พอซ้ําบ่อยเข้าบ่อยเข้าซ้ํา่อยเข้าพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยความคิดเราจะเยอะมากความเบื่อเราจะเยอะมากความม่วงเราจะเยอะมาก พอข้ามจุดนี้ไปปั๊บมันเปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเจอสภาพโปร่งโ่่งตื่นกายเตื่นใจไอ้ที่เราพยายามรู้นี่มันรู้ยากพอถึงจุดนั้นมันมนสมดุลภาวะสมดุลเกิดกายกิดใจไปด้วยกันง่ายๆเรียบราบเรียบพิบตาคืนน้ํำลายส่วนที่เราตั้งใจยกกรู้ส่วนที่เราไม่ได้ตั้งใจรู้เช่นพิบตาคืนน้ําลายเย็นร้อนอย่างนก้นมันจะปรากฏพร้อมกันเป็นความรู้ตัวตัวพร้อมที่พวกเราเจอบ้างกันนันนะแต่จุดเนี้ยเมื่อคุ้นชินกับสภาพอันนี้มันจะเสถียน แต่เราเจอไม่ไหวมันจะเฟลลงมันจะเฟดลงอีกนั้นตัวนี้เอาความเข้าใจไปทําให้มันเป็นไม่ได้แม้เราเคยเจอมาแล้วอ๋อเราเคยเจอแล้วฟังแล้วเข้าใจแต่ตัวนี้มันจะต้องเกิดสภาพสะสมสะสมไปถึงจุดที่สมดุลระดับหนึ่งเหมือนเมืองน้ําเนี่ยมันเต็มแก้วนี้ก็เปล่าแต่แก้วนี้มันก็จะไล่อากาศออกกดเกณฑ์ของการไล่อากาศออกนี้เอาอะไรไปไล่มันเอาลมมาพัดอะไรมันก็ไม่ออกนะเพียงแต่เติมน้ําเข้าไปมันจะกินพื้นที่ขึ้นมา ความไม่รู้ตัวของเราเนี่ยเดี๋ยวไปก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้ปิ๊ตาก็ไม่รู้ความคิดลากไปหมดความหลงลากไปหมดแต่พอเรามาขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าสภาพอันนี้มันจะเกิดความตื่นความคล่องความความชํานิชานาเหมือนเราพิมพ์เด็ดเนี่ยนั่นให้ความชำนิชานาพอไปถึงจุดที่มันสมบูรณ์กายกับใจสมบูรณ์ไปถึงระดับหนึ่งมันจะเห็นสภาพโอ้จริงๆชีวิตนี้มีแต่กายกับใจจริงๆริงอจริงๆรสองส่วนเนี่ย มันจะเพิกสมมติเพิกอะไรออกเจียนชีวิตถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงนะรูปนามตามความเป็นจริงเนะี่ยมันจะเปลี่ยนข้างในนะไม่ใช่เข้าใจแบบเหตุผลแบบเทียบเคียงข้างในมันจะเปลี่ยนเข้าใจรูปนามในวิธีการนองวเตียนสิ่งที่หายไปเลยก็คือเรื่องความงมงาย น, นี่หายไปหมดเลย เร่องเคยไขแขวนผากลัวผีกลัวต้องดูเลิกดูงามไอ้เปียดมาดูดวงราสีนั่นเขามาทักว่าคุณจะเป็นนั่นเปน็นนี้แต่ก่อนนี่ถ้าเราเป็นนักเหตุนักผลเคยฟังเป็นนักวิทยาศาสตร์เราอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้ามีคนที่น่าเชื่อถือพูดขึ้นมาปั๊บนี่โอ้หมอเนี่มันฟันธงเลยนะคนนั่นก็ไปดูกับมันคนนี้ไปดูกับมันพอมาทักคุณคุณชักจะไหวๆนั้นนะระดับเหตุผลจะช่วยอะไรคุณได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าระดับวิปัสสนาปัญญามันจะเปลี่ยน แต่ให้ฟันพงฟันฟ้าฟันดินอะไรนมันจะไม่ไหวอันเนี้ยเพราะมันเข้าใจว่าสภาพที่ทุ ก, ก็ดีสุขก็ดีเกิดขึ้นจากการกระทบอย่างนี้จิตมาจะเห็นปัจจัยของนามและรูปที่เราทุกเราเห็นในี้ปับ๊บเกิดความรู้สึกแบบนี้สั่นสะเทือนแบบนี้สุขแบบนี้ทุกแบบนี้ได้ยินเรื่องนี้เกิดสุขแบบนี้เกิดทุกแบบนี้ทั้งหมดนั้นมันจะเข้าใจว่าผัสสะและทํางานอย่างไรนั้นถ้าเราฝึกไปสภาพนี้จะเกิดนะทํามากๆนะตั้งแต่เตือนนอนจนถึงหลับนอน ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องมีความคิดความเห็นทำลงไปตรงๆล้วนๆให้สภาพเ ป, ปล่าๆมันปรากฏตัวมันออกมาคุณลองทำดูสามวันเต็มที่เลยตนะเต็มที่นะไม่เต็มทีนะเต็มที่หมายถึงว่าไฟใจทำแบบสนุกสนุกไม่ไม่ไม่ไมสี่เรียดมากนะทำตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันยกมืออะไซ้อมอยู่อย่างนี้เวลาความคิดไม่เข้าใจอะไรก็ตาม เนแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับบางใจถูกหรือเปล่านี่แต่ถ้าคำถามเชิงตฤษศีไม่ต้องไม่ต้องเอามามาล้างออกให้หมดล้างให้มันเหลือเกี้ยวเปล่าเปล่านี่พอมมันจะชัดเจนนะจะทำอะไรอีกไหม <c oughs> ไม่ถามนะไม่ถามก็อพอแล้วลมัง้ง